อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราก็เห็นไปหนูก็เห็นไปอย่างที่หนงตาว่าว่าอ๋อถ้าหนูสงสัยเมื่อไหร่ก็คือหนูก็เห็นว่ามันสงสัยตัวเองสงสัยก็เห็นไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นทิศที่ก็เลยค่ะมันก็จะคงคงบอกว่าแค่รู้ของมันเฉยๆมันเจออะไรนะถึงว่ามันก็จะบอกว่าใคล้ายๆว่าไม่ไม่ได้เป็นตัวที่ไม่ไม่ได้เป็นคนที่ไปรู้ค่ะถ้าเกิดเราเห็นว่าเราอ่าขอโทษค่ะอ่าถ้าเราเห็นว่าเราเนี่ย รู้ว่าอ๋อเนี่ยเบอร์นาสงสัยอยู่นะก็เห็นว่าตัวเองอ่ะสงสัยเห็นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยมันไปเรื่อยเ ร, ยเราก็ไม่ได้ไปคาดว่าเราจะต้องหายสงสัยเราจะต้องไม่ไม่ได้ไปคาดว่าเราเราจะต้องเปลี่ยนอะไรหลังจากที่วันนี้ได้ยินคําแนะนําไปอะไรเงี้ยค่ะคือทำไปงี้เรื่อยๆนะคะหลวงตาใช่ไหมคะเ<อ>ถ้าเป็นไงก็ก็เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาตอนช่วงที่ผ่านมาค่ะคือคือจุดเนี้ยค่ะเป็นจุดที่ที่ที่หนูอาเก็ตจากซีดีมากเลยว่าอ๋อมันก็แค่นี้นี่เนาะ มันเป็นบางบางช่วงบางครั้งตทุกครั้งที่ฟังนะคะว่าอ๋อขันมันก็ทํางานเนาะแล้วเราก็แค่ปล่อยให้มันทํางานไปแล้วเราก็เห็นว่าอามีตัวที่มันมันมันดีใจเสียใจมันเศร้ามันมีความสุขมันมันมันเหมือนดูตัวเองทําการแสดงอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีตัวหนึ่งที่มันรู้เนี่ยตรงนั้นนะคะมันหนูหนูมาเพิ่งเก็ตตัวเนี้ยค่ะเมื่อไม่นานมานี้ยค่ะหลวงตาแล้วมันก็รู้สึกว่าสบายขึ้นไม่ มันไม่ได้มีใครสบายนะครับขงตามันรู้สึกว่าพล้ามันน้อยลงไม่ได้แบกอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าอยู่เห็นอย่างนั้นได้ตลอดเวลาเดี๋ยวเอยู่ได้ตลอดเวลามันจงไงมันถึงว่ามันไม่ได้อยู่อย่างแต่มันไม่อยู่ไม่สามารถอยู่ในงั้นได้ตลอดเวลาคืออะไรอะอะไรที่บอกว่าไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาหมายถึงว่าอาการที่หนูจะไปเห็นว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นของมันนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีอะหนูก็เข้าไปเป็น เข้าไปมีความสุขเข้าไปยังเข้าไปมีความทุกข์อะไรกับมันอยู่อะคะ่ะออย่างเมื่อวานก็ยังมีอยู่เงนี้หนูตาก็อ๋อพอเห็นแล้วอ๋อ๋นี่เราเข้าไปนี่นะ <c oughs> และ้วก็อ๋อก็กี้หนูตาพูดอะคะ่ะช่างหัวมันอะไรยเงะะี้ยค่ะมันก็มีช่วงนั้นเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเืองๆคือหนูว่าคิดว่าหนูคงจะเ้าเลยคะ่ะก็ทําแบบนี้ไปสังเกตแบบนี้ไปอย่างตัวที่มันดีใจตอนนี้อิ่มเอิบใจตอนนี้รู้สึกมันสบายใจมากเลยตอนนี้เป็นตัวเราแล้วเนี่ยอืมค่ะค่ะ ตอนนี้ยเราเอาตัวที่มันโอ้เห็นดีใจโหเราเข้าใจมากเลยวันนี้เราจัดเจนมากเราจำแจ้งมากเลยเราดีใจเอาตัวนี้เป็นตัวเราแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้เป็นตัวถูกรู้เนี่ยตัวขันหน้าตัวแตกดับแล้วเนี่ยแต่ไอ้พุที่มารู้ตัวเรากาลังดีใจตัวเราเข้าใจมากเลาวันนี้ตัวเรารู้มากเลยอไอ้ที่ตัวโล่งในตัวตายแต่ไอ้ตัวที่รู้ว่าเราโล่งเนี่ยมัไอ้ตัวเนี้ยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ตําลายเดี๋ยวเราจะไปอยู่กับตัวตายนะไอ้ตัวเราที่มันดีใจตัวเราโล่งเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยตายเดินออกตาย แต่ตัวที่รู้ว่าเราเนี่ยกาลังดีใจมากเลยเราโล่มากวันนี้เราเข้าใจมันชัดเจนมากเลยดิไอ้นั่ะไม่มีดีใจไม่มีเสียใจไม่มีอะไรถ้าเราไปเอาตัวดีใจได้เดี๋ยวตอนไหนเราไม่เข้าใจเหี่ยวเลยจริงค่ะเห็นไหมจริงเลยแม่เห็นว่าแล้วก <laughs> ็ เ, เห็นแล้วเนี่ยก็บางทีพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นคือคือมันคือมันไม่เห็นมันหลงไปบางทีมันก็ทนไม่ได้มันก็ว่าตัวเองอย่างนี้หนูตาอยู่ก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่ใช่นะแต่มันก็ไปละก็ว่าตัวเองอีกละ เฮ้ยแล้วก็ความสงสัยก็มีคืออะไรเฮ้ยเรามาใช่ไหมเรามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราครูบาอาจารสอนหลายคนละเราดื้อด้า น, นมันมีอย่างเ ง, งี้ยค่ะหนูตาตัณฑ์ตัวเองตัดสินตัวเองมีมีเรื่อยๆค่ะหนูหตาพูดเมื่อสักครู่นี้หนูว่าเข้าใจว่าอ๋อจริงมันเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจก็แค่รู้เข้าใจนะนั่งก็รู้รู้เข้าใจก็เนี่ยไม่จะไปทไําลายนะไม่จะไปทไําลายอะไรน่นแต่รู้เข้าใจเข้าใจแต่ไอตัวเข้าใจเห็นว่าไอตัวนี้เป็นตัวตาย แต่ไอ้ตัวที่มันรู้ไอ้รู้เข้าใจมันไม่ได้ว่าสบายใจสบายเจริญอะไแต่มันแต่ดี๋ยวไอ้ตัวสบายใจคือไอ้ตัวไอ้ตัวขันหน้ามันต้องตายเพราะไม่งั้นถ้าเรายึดติดตัวแบบนี้เดี๋ยวตอนเราที่ตอนเราไม่เข้าใจเราจะบุญหินมันจะกลายเป็นรู้ของเราเนี่ยมันมันเลือกได้มันปรุงแต่งได้นี่จะเอาได้นี่ไม่เอาได้ไอ้รู้มันรู้ได้แต่มันรู้ซื่อซื่อมันธรรมชาติเปานรู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่ออย่างตรงไปตรงมาแต่มันกลายเป็นรู้ของเรามันปรุงแต่งได้ระวังให้ดีะอืม มันกลับไปดีใจได้เสียใจได้ไเข้าใจได้ไม่เข้าใจได้อตอนนี้เข้าใจอิหลงได้อีกละไอ้หลงได้ไม่ไม่หลงได้เลยมันก็จะมั่วอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นตัวที่มันเป็นตัวเป็น ต, ต, ตัวที่ถูกรู้ซแล้วไปตัวที่มันเปลี่ยนแปลงได้สลับจับหน้าได้แต่ถ้าเป็นรู้นี่มันสลับจับหน้าไม่ได้หรอกมันได้แต่รู้อย่างเดียวแต่พุตธะพื้นรูค่ะคุตตาคะสุดท้ายค่ะหนูอยากทราบว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการอแบบว่า เราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอะไรของเราเพื่อการปฏิบัตินะคะอันนี้หนูถามโดยโดยตัวหนูด้วยะคะ่ะเช่นว่าเราต้องเปลี่ยนอาชีพการงานของเราไหมเปลี่ยนสถานที่ที่อยู่ไหมเพราะว่าหนูมีเรื่องนี้ในใจอยู่มาหลายปีว่าอ่าเราควรจะแบบว่าอสร้างอะไรนะสร้างสัปปายะยสิ่งแวลดววล้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยจดหนึ่ง ไอที่มาเป็นรู้ถูกรู้อะไรนี่ยมันก็เป็นอยู่มันก็เป็นอยู่กับตัวเราตอนนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยอืมไอที่มารู้ว่าเราเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตอนเนี้ไอที่ตัวเราถูกรู้ก็เป็นอยู่ตอนเนี้ยมันจะไปเกี่ยวกับอะไรไม่ได้เกี่ยวกับใครไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราตัวเรานั่งอยู่เดี๋ยถามว่ารู้ไหมมันไม่ห็นเกี่ยวกับการงานแล้วก็หนูก็นั่งอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับเรามีอาชีพอะไรไม่ได้ถามสักคนก็เราก็นั่งอยู่แล้วก็รู้ว่าตัวเรานั่งพูดไปจ่อยๆเรรานคูู้้อยู่่วาตัวเราเป็นคนพ หน้าที่การงานไม่ได้เกี่ยกับเพศหญิงเพศชายไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพอะไรเลยเกี่ยวกับไอ้ตัวรู้กับตัวถูกรู้ไอ้ตัวไอ้ตัวเราต้องตัวเป็นตัวถูกรู้ตัวคิดตัวพูดตัวกระทําตัวปุ๊กแต่กเป็นตัวถูกรู้ต่ไอ้ผู้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวหรอกมันไม่รู้ว่าไปใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เราไม่ว่าจะไปแอบคิดแอบพูดแอบกระทาอะไรที่รับที่แจ้งมันแอบรู้ตัวเราตลอดเวลาเลยมันน้ำใครวะมันรู้อูตลอดเวลาเลยเนี่ย กูจะทำอะไรในที่รับที่แจ้งจะพูดพจะทำอะไรที่รับที่แจ้งมันรู้กูตลอดเวลาเลยใครวะมึงเป็นใครวะเอียถ้าถามมันคดีจริงถ้ามันพูดได้นะกูเนี่ยคือมึงมันจะบอกกูเนี่ยคือตัวมึงมึงไม่รู้จักตัวมึงหรือไงกูเลยรู้ตัวมึงตลอดเลยกะกูเนี่ยคือตัวมึงมึงจะมาถามทำไมมึงเป็นใครวะมันรู้กูตลอดเลยเนี่ยกูจะทำอะไรเนี่ยไม่บ่าจะแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรอ่ะไม่เคยรอดพ้นมันได้เลยใครวะช่างรู้กูจังเลยเนี่ย ถ้าถามมันได้มันพูดได้จะบอกว่ากูเป็นมึงไงกูถึงรู้ตัวมึงตลอดเลยเนี่ยมึงไม่รู้จักตัวมึงเองเห็นไหมไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพไม่ได้เกี่ยวกับการงานไม่ได้เกี่ยวกับมีเงินไม่มีเงินเลยมันเกี่ยวกับไอ้เรื่องตัวเราที่ถูกลู่กับไอ้ตัวเราแท้จริงที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวเราที่ถูกรู้เป็ตัวปลอมมันเป็นตัวสมมติเดียมันตัวตายเลยเรียกว่าตัวสมมติหรือตัวปลอมแต่ที่รู้ตัวเราจริงๆนะคือมันไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายมันก็ถ่ายร่างเปลี่ยนตัวไปเรื่อยเปลี่ยนถ่ายร เดี๋ยวก็อยู่ในล่างหมูหมากาศไกา่ไปอยู่ในล่างแมลงสัตว์สัญชานติษฐ์ไปเป็ดไปสุรกายสั ญ, ญาชาติษไปตกตลกแล้วแต่บุญบาปพาไปไปสวรรค์แต้ว่าเป็นมนุษย์ลุบล่าเปลี่ยนไปแล้วก็ลาตายแล้วลุบล่างเปลี่ยนไปก็มีความคิดนึกติดตอมปรุงแต่งมีอารมณ์อย่างใหม่แต่ไอตัวที่มารู้ตัวเราเนี่ยยืมไปคู่กันเ ร, กเราตลอดเนี่ยมันเป็นเราแท้ๆไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่ทาลายเราไม่รู้จักตัวเราที่แท้จริงสักทีเราเอ้อายตัวเราที่ถูกรู้เนี่ยเป็นตัวเราเรื่อยไปทุกชาติ พอเราไปเกิดเป็นตัวอะไรในในชาติใหม่เราก็เอาเนี่ยตัวเราว่าแล้วเราก็ไป ม, มีความคิดอย่างใหม่เราไปเกิดเป็น ไ, สไอสัตว์ตัวเมียเราก็ไอสัตว์ตัวผู้มันหล่อมากเลยล้วก็ไปประสมพันธ์กับมันเรื่อยผสมพันธ์กับมันพอเราไปเกิดเป็นสัตว์ตวัวผู้เราเก็เฮ้เราก็คิดแบบไปสัตว์ตัวผูว้มันก็ไอสัตวตัวเมียนี่มันมันสวยมากเลยเรื่อยไปผสมพันธุ์ออกลูกออกหลานมาเต็มในลูกกูลูกกู ล, กกลูกเราลูกเราพอเรามาเป็นคนมองเห็นงูมันสวยมันหล่อตรงไหนวันพอเราไปมองเห็นไก่ไก่มันสวยมันหล่อตรงไหนมั้พอเราเกิดไปเป็นไก่น่ะ โอ้ยไปผสมพันธินกับตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้ไม่รู้กี่ตัวตะกี้ตัวไก่มีไปเดี๋ยวก็ผสมพันกับตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็โอ้ยแล้วก็ความที่เออดีมากกันเนี่ยความหลงในตัวล่างตัวใหม่เนี่ยแล้วก็ไปผสมพันธ์หลงไอ้ไอ้คู่ครองตัวใหม่หรือขาต้องเกิดเป็นสัตว์จระชาประเภทนั้นๆเนี่ยหลายชาติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์เลึกชาติได้ต่กว่าอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดเกิดเป็นไก่ แต่หลงรักไก่ตัวเมียสวยมากเลยก็จะมันต้องถูกพอมาตายอีกก็ต้องมาเกิดเป็นไก่เพราะหลงรักไก่ตัวเมียสวยมากแล้วก็เกิดมาเป็นไก่อีกก็หลงรักไก่ตัวเมียสวยมากเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊เนี่ยแต่และคู่ครองแต่และคู่ครองก็เปลี่ยนมันไปเรื่อยตัวหนึงก็ไม่รู้ผสมพันธ์ไปกี่ตัวตะกี่ตัวกี่ตัวแล้วก็มาในชาตินี้ก็มาไม่รู้ตัวไหนไม่รู้มาเจอกันพอา ม, มาเจอกันก็ะสมพันธ์กันแล้วก็ยืดกันหัวที่หวัวตําหัวปักหัวปา แล้วก็ตายเสร็จแล้วก็ไปผสมพันธุ์ไปเกิดเป็นสายจันทร์นะอุ้ยสมพันธุ์กับตัวโู้ตัวนี้อะไรมั่วตัวะหมดแหละแล้วก็ยึดเอาไอ้ตัวโน้ตัวนี้ตัวนั้นตัวนี้นี่ผัวกูเมียกูแล้วก็เกิดใหม่ไปมามาเจอกันใหม่เอาตัวไหนก็ไม่รู้มาเจอกันเพราะไอ้ตัวที่เคยประสมพันธุ์ตัวไหนไม่รู้เคยมาเจอกันในชาตินี้พอเจอกันก็รุ่มหลงแต่แล้วตายก็ต่างคนต่างไปไปของของของใครไปบางทีไม่ทันตายเลยกูของตายเราเคยไปในงานศบ คู่ครองตายศพนี่อยู่ในในโรงยสบสบสบอยู่เลยเสียงสวดศพอยู่เลยไอ้คู่คองที่มันที่เหลืออยู่เนี่ยมันมีมันมีตัวมมีคนใหม่มานั่งข้างๆแล้วอะเวลามีชีวิตยอยู่หลงรักเขามากเลยลุ่มหลงหัวทิ้มัวตามเขารักเรามากเรารักเขามากเขารักเรามากโอ้ยดูดดื่มที่ไหนได้ตายไปเราเห็นทั้งหลายคนนะศพจะเป็นเถินเผาเลยอ่าเห็นไอ้เจ้าภาพ มีคนใหม่มานั่งคู่แหละมานั่งคู่แหละเห็นอหมไหนวะมันจริงของจริงอ่ะมันเป็นของสมมุติพอเราตายแล้วมันก็สิ้นสมมุติสมบัติก็ผัดกันชมไปสมผัดเราก็กลับไปของคนอื่นไอ้ที่ดินของเรามันเป็นผิวโลกไอ้ผิวโลกอันนี้ยเราก็เกิดมาเอาตรงนูต้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้กี่ผิวกี่ที่มาแล้วแต่ละคนน่ะเกิดตายมันกระดูกกองเท่าภูเขาพระพุทธเจ้าตัด แล้วก็ที่ดินกันในเราเกิดมาก็ไม่รู้เราจะเป็นของที่กี่ที่แล้วเนี่ยเราตายไปแล้วไอ้ที่ดินของเราก็ไปของคนอื่นไปทรัพย์สินเงินทองผัวเราเนี่ยเราก็ไปเป็นของคนอื่นไปลูกเราอยู่กับเราเด็กก็ไปเปของคนอื่นไปเป็นไรไปอืมเขาก็ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเลี้ยงดูเมียเขาไปเลี้ยงดูผัวเขาไปเลี้ยงดูลูกหลานของเขาเขาก็ไม่ค่อยมาหาเราเออเดี๋ยเราเร า, เราก็ลากดุมล ง, ลงเอาหวัวที่หมัวตามอย่างนั้นนะมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจ สมมุติถ้าเข้าใจสมมติมันก็พ้นจากสมมติไปสู่วิบูทได้คือสินส้นยึดสิ้นยึดสิ้นหลงก็ตายก็นอนตายตาหลับก็ปล่อยให้สังขารร่างกายมันดับไปสังขารจิตก็ปล่อยมันดับไปไปเป็นผู้รู้ตั้งแต่นั่งนานแล้วเป็นผู้รู้ตัวเราตั้งนานแล้วไอ้ตัวนั้นไม่เกิดไม่ตับไม่แตกวัฏฏายก็หายตัวไ ป, ไปหนึ่งเดียวกับความบางป่าของธรรมชาติตัวในร่างกายจิตใจก็ดับไปไม่ไปเป็นร่างใหม่ที่มีจิตใจใหม่ไม่เป็นร่างใหม่ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อย่างใหม่แต่จิตเดิมแท้กับจิตเก่ายแล้ว จิตดวงเก่าในแน่ใจดวงเก่าแต่ใจเดิมจะแท้ที่ไมันมรรู้ตัวเราเนี่ยมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายมันก็ถ่ายล่างไป่ะมันเอาบุญเาบาปติดไปได้นะเวลาหลงยังหลงอยู่มันยึดอยู่มันยังเอาบุญบาปติดไปได้สิหลงแล้วบุญบาปก็หายไปเลยมันอาไปไม่ได้เลยแต่ความว่างเปล่ากรรมเวรก็หายผลไม่ได้อย่มาทูตก็มาหาไม่เจอหายไปแล้วหายตัวไปแล้วแต่มันยึดอะไรอยู่ก็มาหายที่มันยึดจะเจอเลยไม่ว่ายึดอะไรก็ไปหาตรงที่ยึดไว้มันก็เจอ้ทุกอย่างแหละ ไอ จ, จิตเตะของเราจังเดิมเตะของเรามันไม่มีตัวตนเราเคยดูหนัง ก, การ์ตูนนะสมัยเด็กๆจําได้เลยพอ ต, ตลังมามา ป, ปฏิบัติธรรมก็เข้าใจเลยคือหนัง ก, การ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องาศาสตราจารย์สติเฟื่องมันก็คิดไอซูนยาเคมีผสมกันไปผสมกันมาผสมกันไปผสมกันมาแล้วมันก็ดื่มก็ไปผสมก็เสร็จได้ไ อ, ไอเครื่องมือก็ระเบิดปุ๊มไปเพื่อไ อ, ไ อ, ไอาศาสตราจารย์สติเฟื่อง ไป hmm. คนสูตรพิเศษได้กลายเป็นน้ำยาพิเศษอยู่กับปลุกหนึ่งพอดื่มก็ไปปุ๊บหายตัวได้หายตัวได้ไม่มีใครมองเห็นหายตัวได้ก็เกิดความโลภเกิดความโลภหายตัวเสร็จแล้วก็เก hmm. ิดความโลภแต่เนี้ยไม่มีใครมองเห็นเลยเอาเสื้อผ้าเอาอะไรออกหมดรองเท้าเอาอะไรออกหมดเรียบร้อยมองไม่มีใครมองเห็นตัวเลยเพราะว่าหายตัวได้แล้วก็เกิดความโลภไปรักของเข้าตั่วหมืดแต่เนี้ยของมันของมันลอยไปได้แต่ไม่เห็นตัวคนพาไปเขาก็เลยว่า มันต้องมีคนหายตัวได้แน่นอนเขาก็เลยจัดงานแสดงสินค้าเพชรอัญมณี hmm. ไว้แล้วก็เอาเพชรมาไว้ตรงกลางห้องแล้วก็ก็ปิดประตูไว้หมดเลยแล้วก็เอาเอาส้สีน้ำมันสีแดงๆล่าพื้นไว้เต็มหมดลาดพื้นไว้เต็มหมดเลยเอ้ mm hmm. e y, มนุษย์ล่องหนที่มันหายตัวได้เอาหายตัวได้มันก็เดินเข้ามาไม่มีใครเห็นตัวไม่เป็นไรก็เดินเข้าไปหยิบเพชร แต่ตัวมันหายตัวได้แต่เท้ า, art, ม, า, ม, า art, breaks, มันติดสีมันติดสีน้ำมันมันติดสีน้ำมันเวลามันเดินขึ้นมันก็ไอไปเท้าที่ติดสีน้ำมันมันก็ยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงยกขึ้นอยู่เลแต่ให้มนุษย์ที่หายตัวได้มันไม่รู้ว่าเท้ามันติดสีอยู่มันเข้าใจว่าตัวมันหายตัวได้ก็คือมันจิตเดิมแต่แท้ของเราเนี่ยมันเป็นของหายตัวได้ตัวตนไม่มีแต่ม <OUT, S 1> ันไปติดอะไรเข้ามาเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันเห็นได้มันเห็นตรงไอ้ที่มันติดแต่มันไม่เห็นตัวหรอกแต่มันเห็นที่มันติด มันติดอะไรมันก็นี่มันติดสีมันก็เขาก็ตามสีไปเรื่อยเมื่กิดยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงไปเรื่อยเขาก็เอาตะคุบมือนไว้าตะคุบไว้ตรงที่สีสีเน่ะหรือว่าเขาไอไอเอาไออะไรนะไอโฟมที่สำหรับฉีดไฟไฟไหม้น้ํามัน่ะตีเขาขาวปูดเขาขาเต็มเลยคุ้มไว้หมดเลยมันก็ประกฏเป็นตัวเป็นรูปร่างเป็นตัวมันหายตัวได้ก็จริงแต่โฟมมันเป็นรูปร่างตัวเลยเขาก็เอากระสอบมาคุมไว้จนน้ายามันหมดลิ้น มันก็เลยโดนจับได้ไปขังคุกนี่แนะถ้าเราติดอะไรยึดติดอะไรอยู่เนี่ยมันก็เลยมันหายตัวไม่ได้เพราะว่าเราไปเอาไปเอาตัวขัดหน้าตัวปรุงแต่งมาเป็นตัวเรามันเลยปรุงแต่งมายึดอะไรได้แต่เป็นผู้ที่มายึดมาหลงมารู้ตัวเราเนี่ยด้ยตัวนั้นเป็นตัวศพเป็นตัววิมุตต์ตัวไม่อาจปรุงแต่งได้เป็นวิสังขารเป็นอสังขารธาตุไม่มีใครมาปรุงแต่งได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ไอตัวเนี้ยมันไม่มีตัวตน ถ้ามันไม่ยึดติดอะไรเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนเลยมันหายตัวไปเลยมันหายตัวไปเลยมันก็ไม่โดนจับได้เนี่ยยมมาทูต ม, มาตามหาก็เอาไปพิพากษาไม่ได้เพราะมันหายตัวไปแล้วเหมือนกับจิตวิญญาณของพระโคติกาพระโคติกาเนี่ยท่านเจ็บปวดทุกทรมานมากถ้าจําไม่ผิดท่านเป็นมะเร็งในกระดูกหรือไงเนี่ยมันปวดทรมานแสนสาหัสสมัยก่อนคขาไม่มียาโมฟีนก็เจ็บปวดทุกทรมานมาก แต่พุทธเจ้ามาเทศแล้วท่านก็เข้าใจแล้วแต่มันก็้าใจยังไงก็ตามแต่มันไม่ไหวแล้วมันปวดทรมานมากท่านก็เลยมีดมาเชือดคอตายระหว่างเชือดไปเชือดไปท่านก็จิตท่านก็สิ้นความยมั่ น, นถือมั่นปล่อยวางสังขารร่างกายจิตใจที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสมมติซะหมดสิ้นแล้วก็ถึงแก่ความตายกลายไปเป็นผู้ที่มารู้ตัวเรากลายไปเป็นจิตเดิมแท้หายตัวไปเลยออาพวกยมมาทูตมารอจเจ้าวิ ญ, ญญาณไป หาตัวไม่เจอก็เลยไปกราบทูลตาพระพุทธเจ้าว่าไอ้จิตวิญญาณของจิตหรือวิญญาณของพระโคติกาหายไปไหนเนี่ยหาไม่เจอเห็นเชื้อคอตายอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแต่ทําไมหาจิตวิญญาณไม่เจอจะไปลงโทษท่าไหนพระเจ้าแต่พระขณะที่พระโคติกาเชื้อคอตายพระโคติกาสิ้นความจิตมั่นถึงมังม่นบรรล้พระหลานไปแล้วจิตวิญญาณหายตัวไปเหมือนด่างเปลวไฟที่สิ้นเชือ้อหรือเหมือนด่างเปลวไฟเทียนที่อยู่ต่อหน้าทุกเป่าดับพึ่ม หายตัวไปจันนั้นไม่มีใครหาเจออีกต่อไปปราบกรรมเวรก็ไม่อาจให้ผลได้เพราะมันไม่มีอะไรให้ผลอย่าง้วแต่ถ้าเราไปยึดติดอะไรไว้มันก็เหมือนกับเป็นไอ้ส า, า, าสตะาจารย์สติเฟื่องที่เป็นมนุษย์ละองหนเนะมันไปติดอะไรมันก็เลยไอ้ตามไปตรงที่มันยึดนั่นแหละมันก็ถูกจับได้ทันทีแต่นี่เขาก็มีนิทานเรื่องหนึง่งว่าไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่ทราบเรื่องไอ้ เป็นลิทายของของคนจีนเขาเหลือใต้ฟงชื่อว่าใต่ฟงไต่ ฟ, ง, ตฟงจินปี้สืบเปินจินปี้ฝือเป็นจินปี้ฝู่เนี้เนี่ยไต่สืบมีใต้สืบอองคท่านก็เข้าฌานจนถึงน่าจะเป็นถึงอรุ ป, ปรฌานหาตัวไม่เจอแต่ท่านที่อายุขัยในขณะเข้าฌานที่เป็นอรุ ป, ปรฌานจนหาตัวไม่เจอว่างเปล่าเหมือนอากาศหาตัวไม่เจอเอแต่ที่อายุขัยในระหว่างเข้าฌาน เออยมปทูดมาตามหายมประบาลก็ให้ยมปทูดมาตามหามาตามวิญญาณของจินได้สื่อจิตพี่ฟงเนี่ยเอาไปอ้าวหาไม่เจอเอ๊ะทำไมหาไม่เจอเห็นนั่งเข้าจานอยู่เนี่ยแต่หาหาจิตวิญญาณไม่เจอก็เลยไปถามเออ ไ, <c oughs> ไปถามอะไรนะเทวดาที่ประจําเจ้าที่นั่นเนี่ยว่าเอ๊ะ ทไม่ให้ตามหาจิตวิญญาณของเตยตือจิตพีโฟงไ ม, ไม่เจอก็ก็ได้แต่ตอวินาดูโบโอกเออเตยตือจิตพีโฟงนี่เข้าฌานหายตัวไปหายไปเลยแต่ก็ไม่ได้ว่าสิ้นความจิตมั่นสือมัน่นเที่ทีเดียวคือแม้แต่จะเข้าฌานหายตัวไปได้อย่างนี้ก็จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เตยตือจิตพีโฟงยึดถือไว้คือเอกษัตระสับ <c oughs> กริย์บห้องเตยเนี่ยนับถือมากก็เอาไอปบาทยกอุ้มทองมาถวาย จินปี้ฟื้เนี่ยินในเต้ซือเนี่ยก็คือหลักบาทจกนี่มากหลักบาทจกนี่มาก เ, เป็นบาทจกทองคำสวยมากประจบข้นต่อบอกว่าให้ไปหาบาดจกเนี่ยให้เจอแล้วก็มาเคาะเคาะให้เกิดเสียงดังขึ้นก็เลยไปหาบาทจบมาเจอโยประทูาาไปหาบาทจกเจอแล้วก็มาเคาะเคาะเสียงดังขึ้นมาสามที แต่ซือจีปีโฟงคนนึงไหมยึดบาดยกเนี่ยใครมาบาดยกใครมามายุ่งกับบัาดยกกูวะก็ลราเข้าชาญอยู่ดีๆแต่แท้ใครมายุ่งกับบาดยกกูวะเนี่ยยึดถืออยู่เนี่ยพอใครมาแตะบาดยกตัวเองในทีเดียยึดถือปุ๊บออกมาจากฌาญเขาจับได้เลยเขาจับตัวก็อ่าก็เน่ก็สอบถามกันก็ปรากฏว่าจะเอาตัวไปพภิปรายสาอ้าวโอ้โหก็น่ะปฏิบัติมายาวนานแบบนี้ บวดบำเพ็ญเพียรปฏิบัติมานี้เพราะบาดหยกใบเดียวเนี่ยจริงทาให้ออกจากฌานมาให้เขาจับตัวไปวิพากษาได้ว่าทำบุญหรือบาปกรมดีหรือกามชั่วมาต้องเขาจับตัวไปวิพากษาเลยสลดสังเวชตัวเองเลยขอลองต่ อ, อยามาทูตว่าขอขอรอร อ, รอก่อนได้ไหมขอเวลาสักแป๊บเดียวยามาทูตก็ได้ทุ่มบาดยกแตกเลยแล้วก็ บ่อยวางความจิตมั่นถือมั่นจิตวิญญาณหายตัวไปเลยถึงแก่ความตาจิตวิญญาณหายตัวไปยมวัฏฏูดเลยหาไม่เจอหายตัวไปได้ทุกคนนะแวบหายไปเลยนะขออภายเจ้าค่ะหลวงตาอาลูกปฏิบัติก็ใช้พุทโธเจ้าค่ะเวลาจิตที่ลูกไหลไหลไปคิดแล้วอ่ะฟังครั้งก็กลับมา รู้รู้รู้สึกตัวได้บางครั้งก็ไหลไปเป็นความคิดเลยเจ้าค่ะแต่นขณะตอนนี้ที่ที่นั่งฟังหลวงตานี่ก็ก็รู้สึกว่านั่งแล้วก็มันมันรู้ข้างในจนหัวใจเต้นเลยอะเจ้าค่ะที่ที่รู้นี่ถูกไหมเจ้าค่ะหรือว่าคิดแต่เองรู้ยังไงเชื่อที่บายแล้วคนเขาฟังเขาฟังเทปคนมาหาเราเจ้าจะบอกว่าใช่ดูหน่อยดูหน่อยคนฟังเทปไม่รู้เรื่อง มันเป็นยังไงอ่ะอธิบายหน่อยที่ว่าเราเป็นยังไงเราปฏิบัติยังไงนันเป็นยังไงบอกอะไรที่เด็กคนเขาไปฟังซีดีเขาไม่รู้เรื่องว่าเราเป็นอะไรเจ้าค่ะอ่าเวลานั่งสมาธิก็ใช้พุโทโธเจ้าค่ะแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วก็พอจิตไหลไปคิดแล้วก็ดึงกลับมาเลยเจ้าค่ะแล้วก็บางครั้งมันก็ลูกพิชนะมไม่เป็นเจ้าค่ะแล้วก็จะไหลไปอีกเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็ดึงกลับมาพุโทโธเนี่ยเจ้าค่ะ แค่นี้แล้วแล้วตอนนี้เป็นยังไงอันนี้ก็ตอนเนี้หน้าขนาดนี้ปัจจุบันนี้กําลังถือไมอยู่เจ้าค่ะในใจเป็นยังไงอืมไม่ไี้เป็นอะไรเจ้าค่ะไม่ได้เป็นอะไรเจ้าค่ะเรารู้ไหมว่าไม่ได้เป็นอะไรก็รู้เจ้าค่ะรู้ในใจไม่ได้เป็นอะไรเลยเจ้าค่ะอยู่ก็รู้เนีไย ่รไปอยู่ข้างกกในเลยอ่ะเจ้าค่ะเอ๊ะเดย่างไงนะรู้อยู่ข้างในเลยเจ้าค่ะไม่มันไม่มีข้างในข้างนอกเราใจตัวเราทั้งตัวจะเป็นตัวถูกรูก้ไม่ไม่มีว่าข้างในข้างนอกใกล้ตัวเราทั้งตัวเป็นตัวถูกรู้เนี่ยก็ ร, รู้ว่าตัวเราเป็นยังไงอะมีจิตใจไงตัวเราเนี่ยมีจิตใจเป็นยังไงก็รู้ตัวเราทั้งตัวเนี่ยนะเจ้าค่ะไม่เว้ในในนอกแล้วเจ้าค่ะให้เป็นรู้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวเปตัวเราที่มีอาการยังไงข้างในยังไงนะ มันก็นิ่งๆไว้อะเจ้าค่ะนิ่งๆไว้เจ้าค่ะ okay. นิ่งๆคือตัวเราที่ถูกรู้เจ้าค่ะหนูไปเป็นตัวอาการนิ่งเจ้าค่ะไม่เป็นลุไม่เห็นว่าไอ้ตัวอาการนิ่งเนี่ยไอ้ตัวเราที่มีอาการนิ่งอ่ะตัวนี้เป็นตัวตายตัวตายแตกดับทิ้งมันไปให้หมดปล่อยวางเลยเจ้าค่ะรู้อะไรแล้วก็วางไปรู้อะไรแล้วก็วางไปปล่อยไปรู้อะไรแล้วก็วางไปปล่อยไปอย่าไปยึดถือเจ้าค่ะอืมงั้นไอ้ตัวเราที่มีอาการนิ่งเนี่ย รู้แล้วก็ปล่อยไปวางไปรู้แล้วก็ปล่อยวางวางไปไม่ยึดถือจะไปเป็นตัวเราที่มีอาการนิง่งให้ปล่อยวางตัวเราที่มีอาการนิง่งรู้แล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วก็รู้ใหม่ปัจจุบันเลื่อนไปเช่าค่ะที่ลูกรู้นี่เขาเป็นนิ่งเลยใช่ไหมเจ้าคา่ะถูกต้องเจ้าค่ะก็ยังเป็นอยู่นะ um ทําไมไปเป็นตัวเราที่เป็นอาการนิง่งอ่ะ เราไปให้ค่ายความสําคัญไปค่ายความสําคัญยึดถือกับตัวเราที่มีอาการนิ่งเราไปอยู่กับตัวเราที่มันนิ่งอใจที่นิ่งเราไปอยู่กับใจที่นิ่งที่เฉยอืให้เห็นว่าไอ้ตัวเราที่มีอาการนิ่งเนี่ยมันเป็นของตายเดี๋ยวมันก็ตายแตกดับ๋อย่าไปเป็นตัวนั้นอย่าไปอย่าไปอยู่กับมันไอ้ใจที่นิ่งเป็นตัวตับไอ้ใจที่นิ่งเป็นตัวอาการเจ้าค่ะมันเป็นตัวที่ตายแตกดับจะไปเป็นเป็นใจที่นิ่งให้เป็นผู้ที่รู้ใจที่นิ่ง ไหมสังเกตดูสิในความนิ่งอะมันมีมัน ม, ม, นมีมันมีตัวผู้พูดอยู่นะเจ้าค่ะตอนนี้ใจสั่นมากแล้วตอนนี้เป็นยัเป็นอย่างงี้โอตอนนี้เราไปเป็นอย่างงี้เหรอจมันจะควบควบตัวไม่ได้เลยเห็นไหมพูดอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะอืมว่าห้เห็นมาเห็นอีสุดอย่าไปมันไม่นิ่งหรอกมันพูดอยู่เนี่ยจ้าจะ อ, อยมันมีอาการอย่างว่ามีอาการเนี้ยประหม่าตับต้นไปหมดเลยเนี่ย ปล่อยวางมันไปเพราอ้ตัวนี้มันตัวปุงแต่งเป็นตัวสมมุติไม่ยึดถือแค่หลับรู้หลับทราบแค่หลับรู้หลับทราบแค่หลับรู้หลับทราบจะไปยุ่งกับมันอยจะไปเป็นยจะไปเป็นมันอยจะเป็นในตัวใจสั่นให้มันไม่สั่นมันมันรู้สึกอะไรไม่รู้มันมันปั่นป่วนหมดเลยในตัวเราในใจเราตอนเนี้ยบูวว่าืมมันโล่งไปหมดมันว่างไปหมดเจ้ามันเอ้อไอ้ตัวตายหมดเลยเนี้ย มันลงมาหมดว่างมาหมดก็เป็น ต, it, ปตัวตายนะเป็นตัวตายจริงได้ท horse ี่ถูกรู้ได้เป็นตัวตายทั้งหมดอ่ะตัวเกิดตัวดับตัวตายทิ้งให้หมดแล้วอย่าไปสนใจปล่อยวางมันให้หมดแค่รับรู้รับทราบอะไรเกิดขึ้นมาในปัจจุบันแค่รับรู้รับทราบอะไรเกิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันแค่รับรู้รับทราบเจค่ะนั้นอยู่กับไม่อยู่กับอะไรจะว่าอยู่กับอะไรเี่ก็ไปยืดอีก คืวางหมดอะไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเออเนะี่ยเหมือนวางไม้เน่ยเหมือนวางไม้เออวางไม้ไปเลยไม่ถือไว้เลยว่างแล้วก็วางไปเลยอือเพราะเนี่ยว่างก็ไม่ยึดถือว่างด้วยกาบลูกกาค่ะหนูชื่อน้ำนะคะหนูเพิ่งจะนนอะไรนะค่ะหนูชื่อน้ำค่ะหนูเพิ่งจะเพิ่งได้ฟังทำหลวงตาไม่กี่เดือนนะคะ่ะฟังจากไหนฟังหนูฟังจากไหนอ่า หนูเด็กเบนแคร์ห้าค่ะ mm. คะ่ะหนูอยากจะทราบว่าที่หนูปฏิบัติตอนนี้มันถูกทางแล้วหรือยังอะค่ะที่หลวงตาสอนว่าให้รู้จักรู้ละปัจจุบันค่ะรู้ปัจจุบันแล้วก็ละในปัจจุบันอย่างเช่นตอนนี้หนูฟังหลวงตาพูดสอนอยู่หนูก็รู้ว่าตัวเองกำลังพยายามพยายามเข้าใจพยายามคิดไต่ตอง ก็รู้ตัวนี้รู้แล้วก็วางรู้อยู่อย่างนี้เป็นอาการอย่างนี้อะค่ะหรือว่าเวลาขณะที่เราหลงไปก็รู้ว่าเราหลงรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นอาการรู้สึกตัวรู้สึกตัวนั่นก็คือเป็นอาการค่ะไม่ใช่แต่พอเรารู้ว่าเรารู้สึกตัวนั่นคือรู้ค่ะไม่ทราบว่าหนูเข้าใจถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะใจมัน ใจมันยังปฏิเสธปฏิเสธความไม่สบายเอาเอาที่สบายไม่ใช่รู้ซื่อๆอย่างตรงไปตรงมาเป็ธรรมชาติของรู้นี่เขาเขารู้แต่เพียงอย่างตรงไปตรงมามันสบายก็รู้ไม่สบายก็รู้มันดีก็รู้ชั่วก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้บุญก็รู้บาปก็รู้มันได้แต่รู้ซื่อๆแต่เราเนี่ยเลือกเอาที่เอาที่ดีเอาที่สบายไอ้เป็นดีไม่สบายเราปฏิเสธเราดิ้นลนผักใสไม่ชอบ เราไม่ไม่ไม่ซื่อซื่อเราไม่ซื่อสื่อมันมันจะหดตัวเลยมันจิตมันจะหดตัวหนีเอาหนีจากความไม่สบายเข้าไปสู่ใจที่เบาสบายแล้วสุดท้ายเอาตัวเองอ่ะเข้าไปขังอยู่ในคุกเอาใจของตัวเองอ่ะสร้างสร้างเหมือนกับสร้างตัวเองอ่ะพวกที่เนี่ยปฏิบัติมหาลุงตาเนี่ยเยอะแยะมากมายแบบเนี้ยคือพราอมาปฏิบัติแล้วตอนเดินอยู่ในโลกมันมีเรื่องมันวุ่นวายมากหลายแล้วที่หลุดแล้วก็พาตัวเองอ่ะ มาปฏิบัติธรรมเ่ราาปิบัติธรรมทบกับความสุขความเบาความสบายความโปร่งความโล่งความเบาสบายความสุขความสบายความสงบความว่างแล้วก็ใจก็ถอยหนีมาแล้วรังเกียจอาการตรอการข้าเพราะอะไรงั้นแน่คืออาการใดที่มันไม่สุขไม่สบายไม่ว่างไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายก็ปฏิเสธมันแล้วหนีเอาใจหนีก็มาหาความสุขความสบายความสงบความว่าถอยก็ไปเรื่อยถอยก็ไปหาความสุขความสบายความสงบความว่าละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปจนกระทั่ง น้อยหนึ่งนิดหนึ่งแทบจะไม่มีแล้วจนเหมือนกับเป็นความว่างเลยเดี๋ยวสุดท้ายก็เอาไอ้ความว่างเนี้สร้างเป็นห้องขงังเป็นห้องขังขังอะไร่ะขังให้ความรู้สึกว่ามีตัวเราสบายตัวเราสบายตัวเราสุขตัวเราสงบตัวเราว่างตัวเราโปร่งตัวเราโล่งตัวเราเาบาใจกายเบาใจเบ า, บ า, บ า, บ า, าสบายว่างสุดท้ายเนี่ยเอาไอ้ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ยความรู้สึกโปร่งโล่งเบา óg, สบายนิ่งเฉยสงบว่างสว่างอะไรก็ตามเนี่ย เอาไปเป็นห้องขังสร้างแล้วก็สร้างในตัวเราเนี่ยมีตัวเราสร้างว่าในตัวเร า, ม, า um มีตัวเราเอาไปเข้าไว้ในห้องขังขังตัวเองไว้ในห้องแห่งความสุขความสงบความสบายห้องว่างเลยกลายเป็นว่าห้องขังเนี่ยเหมือนห้องขังสถานีตํารวจอะที่มีลูกกองอะแล้วก็แต่ห้องขังนั่นน่ะกลายเป็นห้องขังที่เราเนี่ยไปคนล็อกกุญแจเองล็อกกุญแจจากด้านในไม่ใช่ล็อกกุญแจจากด้านนอก แต่เราไม่กล้าที่จะเปิดประตูห้องขังออกมาพบกับความจริงแล้วพอมันไม่สุขไม่สบายไม่สงบไม่ว่างมีเรื่องกระทบใจไม่สบายใจเราก็หนักๆเข้าเราก็ไม่อยากออกห้องขังเลยเอาตัวเราก็ไปไว้ในห้องของังไงความสุขความสงบความสบายความว่างแล้วไม่ค่อยออกมาตอนบทียห้องขังเนี่ยไม่นจะเป็นห้องขังที่เขาใส่กุญแจจากด้านนอกแต่มันใส่กุญแจจากด้านในที่ตัวเราแล้วก็ เห็นพวกต้านแต่ละต้านที่มากันหลายคนปูปูโปโภก็ไปในห้องขังแล้วก็ออกมาหน่อยเดี๋ยวก็นานๆก็ไม่ออกเลยเรียกสไลด์ก็ไม่ออกจะบอกให้ออกก็ไม่ออกอยู่มันในห้องขังอ่ะรู้สึกว่ามันเป็นที่ปลอดภัยมันเป็นที่ปลอดภัยสุดท้ายก็เอาตรงนั้นแหละเป็นห้องขังของแต่ละคนแล้วก็ตายสนิทยอยู่ในห้องขังนั่นนหละแล้วค่อยๆกลายจากคนนี่มีความรู้มีความสามารถมากเลย พอมาปฏิบัติธรรมกลายไปคนเฉยเฉยชาชาคิดก็อะไรมันก็ไม่ค่อยออกอ่ะเลยกลายไปขังตัวเองไว้เจรสนิทเลยเลยกลายเป็นจากคนที่เฉลียวฉลาดปากเปี่ยวทันคนทันเหตุการณ์กลายเป็นเด็กเอ๋อกลายเป็นผู้ใหญ่เอ๋อกลายเป็นคนแก่เอ๋อหมดเลยกลายเป็นโลกเอ๋อนะทําไมเราเรียกโลกเอ๋อเพราะพวกนี้ตายไปแล้วมาเกิดมามาเป็นดาวเซนโดมนะมาเป็นดาวเซนโดมมาเป็นออสซิติกมาเป็นโรคเอสเปอร์เกอร์ เราเห็นหลายคนแล้วเนี่ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยผ่าลูกผาเต้ากันมาเยอะแยะไปหมดเลยพวกเนี้ยมาจากอย่างนี้ทั้งหมดเลยฮนะอือต้ายเนี่ยมาปฏิบททัติธรรมแล้วติดตุดอน่ยมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องต่างแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกันแล้วก็เสร็จแล้วก็หนีเรื่องที่ไม่สบายใจนีเรื่องที่กระทบใจหนีหนีทุกอย่างหนีความไม่สบายใจเส็จ แ, แล้วหดเข้ามาเอาใจเข้ามาอยู่กับความ นิ่งความเฉยความสงบความโล่งความเบาความสบายยิ้มเพลยเดินไปเดิน ม, มายิ้มเปรย์ในสุดอันดับแรกคือเป็นโรคภูมิแพ้เริ่มเริ่มเป็นโรคภูมิแพ้หมอหาสาเหตุไม่เจออะพอเป็นน้ำมา้มาม้าเข้าถ้าแช่ได้กลายเป็นโลกเอ๋อไปเลยเริ่เอ๋อเฉยเฉยใครพูดอะไรไม่กระทบเฉยใครว่าอะไรเฉย ใครเท่าไรเจออย่างเดียวอ่เพราะหน้านเขาเจอมากเข้าอยู่อยู่ในนั้นเลยไม่ออกห้องขังหมดเลยเจอปุ๊บกลายเป็นโรค S N E รู้จักไหมโรคพุ่มพวงรู้จักโรคพุ่มพวงไหมโรคพุ่มการบกค้องทําลายตัวเองแล้วก็จะลามไปย่างอื่นเลยลามมาโรคเม็ดเลือดเก็บเลือดขาวตกต่ําหมอก็ไม่ทราบสาเหตุตัวนี้ก็กลายเป็นโรคหัวใจมันขาดเลือดตับมันขาดเลือดผ่านแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตับก็ไม่ทํางานหัวใจก็ไม่ทํางานระบบสารเคมีในร่างกายไม่ทํางานหมดเลย แล้วก็สายก็ตายตา ย, ตายด้วยระบบสารเคมีสมองไม่ทํางานสารเคมีในตับไตไม่ทํางานหัวใจทํางานผิดปกติเพราะไม่มีเลือดผ่านเก็บเลือดต่ํามากเลยแย่ yeah, ไปเนี่ยหลายคนตายไปนะเราไปช่วยมันตั้งหลายคนแม้แต่เป็นหมอตั้งหลายคนเนี่ยเราไปช่วยเราไปช่วยมาเนี่ยรอดมาได้บุญิณฑ์มาตั้งหลายคนตายไปก็หลายคนช่วยไม่ทันเนี่ยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติกันแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยสุดท้ายเนี่ย ไม่เยอะมันรู้ตัวเราอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาสิมันไม่รู้ตัวเราอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาตัวเราสบายใจนั่นคือไอ้ตัวขาน้าที่มันตายแตกดับเราจะไปเป็นตัวตายแตกดับไอ้ตัวที่รู้ว่าตัวเราเนี่ยสบายใจหรือไม่สบายใจไอ้นั่นน่ะไปอยู่กับไปเป็นตัวไม่เกิดไม่ตายไม่แตกไม่ดับสิคือเป็นเป็นตัวที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวเราที่สบายใจไม่สบายใจมันเป็นตัวตายแตกดับจะไปเอาให้ตัวสบายใจและลังเกียจกว่าไม่สบายใจไอ้ตัวนี้เป็นตัวตายแตกดับอืม อตอนนี้หนูกําลังยึดยึดความสบายใจนั่นและเราว่าแล้ว<น>เห็นไหมยึดตอนนี้รับสภาพก็จะเห็นหนูกําลังยึดความสบายใจใ<น>เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคือกําลังผักใสความไม่ชอบไม่ดีชอบอาการโป่งเบาอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงตาใช่ก็เราอุ้มในหลวงว่าเงครับบอกว่าหนูปฏิบัติผิด มันมันมันตั้งมันตั้งสมมติฐานผิดในใจแล้วมันทําให้เกิดการเดินทางการปฏิบัติที่ผิดพลาดแล้วมันจะลามไปเป็นตัวอื่นมันต้องมาเป็นรู้ตัวเราซื่อๆรู้ตัวเราซื่อๆอ่ะคือตัวเราเป็นเป็นยังไงอ่ะไอ้รู้มันก็ได้แต่รู้ตัวเราซื่อๆเหมือนกระจกเงาใส่มันมารู้ตัวเราว่าสะท้อนตัวเราว่าตัวเราเป็นยังไงตัวเราสบายใจยืนยิ้มแผ่ใส่ไปใส่มาเหมือนหน้ากระจกเงาใส่ไอ้กระจกเงาใสมันก็รู้เราแบตรไปตรงมาเราไม่สบายใจเลยงุดหงิดําคาญใจ ไอ้รู้ก็่ยรู้มันทำหน้าที่เหมือนกับจงเอาที่รู้สะท้อนตัวเราเนะี่ยตัวเราไม่สบายใจมันก็ได้รู้แต่รู้เราไม่สบายใจไอ้ที่เราสบายใจไม่ได้สบายใจเนี่ยถ้าเราไปเห็นว่าเป็นตัวตายตัวไม่เที่ยงตัวเป็นทุกข์ตัวเกิดดับเราจะไปจู่กับตัวตายให้เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้อะไรก็คือปล่อยวางไอ้ตัวตายไปให้หมดจะไปยึดว่าเป็นตัวเราเราแต่้๊ะให้ไปเป็นตัวที่มรรู้ตัวเราไอ้ตัวนั้นไม่มีอาการใดๆเลยไม่มีอาการตรงกันข้ามได้เดี๋ยวสบายใจเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยว มีอาการอยอ่างวุ่นมีอาการนี Ooh, oh, cool. yeah. no oh, cool. ้เดี๋ยวมีการคิดไม่คิดเดี๋ยวมีอาการอะไรล่ะมีอาการที่ตรงกันข้ามได้ก็แล้วกันน่ยอย่าไปเป็นตัวที่มีอาการตรงกันข้ามได้ตัวเนี้ยเป็นตัวปรุงแต่ทิ้งมันไว้ให้หมดเป็นตัวตายได้แต่รู้รู้ซื่อซื่อรู้ซื่อซื่อตัวเราเนี่ยรู้ซื่อซื่อตัวเราทั้งกายวาจาใจเนี่ยรู้ซื่อซื่อตัวเราอย่างตรงไปตัวมาให้เป็นรู้ซะไอ้รู้เนี่ยไม่มีอาการอะไรหรอกเพราะว่าไอ้ตัวที่มีไอ้ตัวเราที่มีอาการเนี่ยสบายใจไม่สบายใจเดี๋ยวมีอาการอย่างวุ่นมีอาการอย่างเนี้ย มันเป็นตัวเราที่ถูกรู้เป็นตัวสมมติเป็นตัวตายอย่าไปอยู่กับตัวตายให้เป็นผู้ติมารู้ตัวเราเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจค่ะความคิดความคิดอะไรทั้งหมดนั่นคือตัวที่มันตายได้ค่ะใช่ค่ะได้ตัวที่หนูอ่ะตัวนี้หนูชอบใจที่มันโปร่งโล่งเบาสบายมากเลยหนูรังเกียจใจที่ไม่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายเนี่ยไอตัวที่มันโปร่งโล่งเบาสบายกับไอตัวที่ไม่โปร่งโล่งเบาสบายเป็นตัวไหน ก็ม so ันก็น auer, เป็นความคิดทั้งคู่ค่ะอืมอืมอืมมันไม่ใช่ผู้รู้ที่กําลังรู้สึกว่าเรากําลังโปร่งโล่งเบาสบายค่ะเออถูกต้องแล้วค่ะได้อีกตัวหนึ่งตัวที่หนูลังเกียจกับตัวที่หนูชอบเมื่อก้มีเป็นอาการนะโป่งโล่งเบาสบายกับอาการไม่โปร่งโล่งเบาสบายกับติดแล้วตอนนี้ไอ้ตัวหนูที่ไปรังเกียจอาการที่ไม่โปร่งโล่งเบาวสบายกับตัวหนูที่ไปชอบใจที่โปร่งโล่งเบาสบายไอ้ตัวที่รังเกียจกับตัวชอบเป็นตัวไหน ก็เป็นอาการอีกอะค่ะใช่ก็เป็นอาการเป็นตัวเราที่ถูกรู้ใช่ไหมใช่ค่ะเออก็ให้รู้ตัวนี้เรารังเกียจตัวนี้เราชอบเออเขาทาไปพูดเลพูดง่ายด็กเ<ม>ข้าใจยัง